วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในตอนนี้เราก็จัดการเทศไว้ทุกสี่วันต่อหนึ่งครั้งมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาศึกษาคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีบำบัดทุกข์ บำบังสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์<ม>การที่ชีวิตของพวกเราจะมีความสุขปราศจากความทุกข์เราต้องมีเครื่องสนับสนุนชีวิตเรียกว่าปัจจัย สนับสนุนชีวิตเราต้องมีปัจจัยสนับสนุนร่างกาย<ม>ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ต้องมีปัจจัยสนับสนุนจิตใจซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิต<ม>ชีวิตของพวกเรานี้มีสองส่วนด้วยกัน มีร่างกายและมีจิตใจร่างกายและจิตใจจะอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนมีปัจจัยสนับสนุนให้ร่างกายและจิตใจอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีด้วยกันก็คือปัจจัยที่จะสนับสนุนทางร่างกายและปัจจัยที่จะสนับสนุนทางจิตใจปัจจัยทางร่างกายพวกเราคงจะรู้จักกันดีเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้เรียนรู้ เรื่องปัจจัยที่จะมาสนับสนุนการอยู่อย่างปกติสุขของร่างกายปัจจัยที่จะดูแลร่างกายให้อยู่อย่างเป็นสุขปราศจากความทุกข์ก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี้ก็มีหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งห่ม สามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้พวกเราทุกคนรู้จักกันดีเพราะเรารู้ว่าถ้าปัสศจกปัจ จ, ปจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วร่างกายของเราก็จะทุกข์จะเดือดร้อนขึ้นมาได้เราจึง คอยหาปัจจัยสี่ของร่างกายมาสนับสนุนอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเช่นอาหารเราก็หามารับประทานกันวันละสองสามครั้งด้วยกันเพราะอาหารจะให้ความอิ่มแก่ร่างกายจะกำจัดความทุกข์ ที่เกิดจากความหิวของร่างกายถ้ามีอาหารคอยเติมเข้าไปในร่างกายความหิวความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกหิวรู้สึกมีความทุกข์ทางร่างกายเราก็หาอาหารมารับประทานกัน พอได้รับประทานอาหารแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของทางร่างกายก็จะหายไปความสุขที่เกิดจากความอิ่มก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งของร่างกายคืออาหารข้อที่สองก็คือเครื่องนุ่งหม่ม ร่างกายของเรานี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนุ่งหม่มไว้ป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศที่หนาวเย็นถ้าไม่มีเครื่องนุ่งหม่มร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เราจรึงต้องมีเครื่องนุ่งหม่ม แล้วก็ป้องกันสิ่งที่จะมาขีดควรมากัดมาทำให้ร่างกายมีแผลขึ้นมาได้นี่ก็คือส่วนที่สองของปัจจัยที่จะมาสนับสนุนให้ร่างกายอยู่ปราศจากความทุกข์ให้ร่างกายมีความสุข เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี้นอกจากที่จะป้องกันภัยแล้วยังเสริมความสวยงามให้กับร่างกายเวลาร่างกายมีเสื้อผ้าสวมใส่จะดูแล้วมีความสวยงามน่าดูน่าชมต่างจากเวลาที่ร่างกายไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ ร่างกายจะดูไม่สวยไม่งามเสื้อผ้าก็มีหน้าที่สองอย่างนี้ไว้คอยป้องกันภัยที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสริมความสวยสวยงามของร่างกายทำให้ร่างกายนี้น่าดูน่าชมเพิ่มมากขึ้น น, นี่ก็คือปัจจัยข้อที่สองที่จะช่วยรักษาให้ร่างกายมีความสุขปราศจากความทุกข์ข้อที่สามปัจจัยข้อที่สามของร่างกายก็คือที่อยู่อาศัยไว้หลบภัยต่างๆนั้นเอพราะถ้าร่างกายไม่มีที่หลบภัย เวลาเจอภัยขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่ออาจจะถึงขั้นตายได้เราจึงต้องมีที่อยู่อาศัยกั น, นไว้หลบแดดหลบฝ น, นไว้ป้องกันภัยจากบุคคลและสัตว์ต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราได้ <whis> เวลาเราอยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยเราจะมีความรู้สึกปลอดภัย <whis> เวลานอนหลับก็จะไม่าวาดผวาไม่วิตกกังวลนอนหลับอย่างมีความสุขนี่คือปัจจัยส่วนที่สามของร่างกาย คือที่อยู่อาศัยปัจจัยส่วนที่สี่ของร่างกายก็คื อ, อยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะร่างกายของพวกเรานน้นนักจะมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆมีทั้งโรคภายในในอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายและโรคภายนอกที่เกิดขึ้นตาม ผิวหนังต่างๆมีแะลงสัตว์กัดต่อยมีสัตว์มากัดก็ทำให้เกิดแผลเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถ้าไม่มียารักษาโรคภัยก็จะไม่หายและโรคบางชนิดก็จะทำให้ตายได้ถ้าเป็นแผลติดเชื้อและไม่มียามารักษา เชื่อ่าจะระบาดไปทั่วร่างกายทำให้ร่างกายต้องเสียชีวิตลงไปได้เราเลยจำเป็นที่จะต้องอมียาไว้คอยดูแลรักษาร่างกายเวลาที่ร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอพอเรามีอยู่มียา เวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเราก็ใช้ยารักษาไม่นานโรคที่เกิดขึ้นก็หายไปแล้วร่างกายก็จะอยู่อย่างปกติสุดได้ต่อไปอ น, นี่คือส่วนแรกที่เราจะต้องดูแลกันก็คือเราต้องดูแลร่างกายของเรา ด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารด้วยเครื่องนึ่งหงด้วยที่อยู่อาศัยและด้วยย า, ารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่เราจะมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายนี้เราต้องรู้จักประมาณ คือรู้จักความพอดีเพราะว่าถ้าเรามีปัจจัยสี่มากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้กับร่างกายและจะไปทําให้เกิดเป็นภาระหรือเกิดเป็นภปัญหาให้กับจิตใจได้เป็นความทุกข์ให้กับจิตใจได้ เพราะจิตใจต้องเป็นผู้ไปหาปัจจัยสี่มาให้ร่างกายนั้นเองเช่นถ้าเราต้องการเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราต้องการอาหารที่หรูหราเสื้อผ้าที่หรูหราที่อยู่อาศัยที่หรูหราการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บแบบหรูหรามันก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมาก แล้วก็ต้องมีภาระในการที่จะไปหารายได้เพื่อที่จะได้เอามาใช้ใจ่ายกับการเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแต่ถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบธรมธรมดาธรรมดาไม่หรูหราแต่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายจิตใจก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาของหรูหรามาเลี้ยงดูร่างกายเพราะความเป็นจริงผลที่ได้รับให้กับร่างกายนี้มันเท่ากันเลี้ยงดูร่างกายแบบธรมธรมดาธรรมดากับเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราร่างกายก็ได้รับผลเท่ากันเพื่อได้รับการบำบัดความทุกข์ แลวได้รับความสุขเหมือนกันดังนั้นเราถ้าต้องการที่จะไม่ให้การเลี้ยงดูของร่างกายไปเป็นปัญหากับใจเป็นการไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้องเลี้ยงดูแบบมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือ มีเท่าที่จำเป็นก็พอไม่ต้องมีมากเกินไปแล้วไม่ต้องเป็นของหรูหราเป็นของเลิศของแพงเป็นต้นถ้าเป็นของที่มาทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเช่นอาหารจะมื้อละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละพัน มันก็ให้ความอิ่มเท่ากันดับความหิวของร่างกายได้เหมือนกันอันนี่คือยกตัวอย่างเพราะว่าถ้าเรากินอาหารที่มีราคาแพงเราก็ต้องเสียเงินมากมเมื่อเราเสียเงินมากเราก็ต้องหาเงินมากมเมื่อใช้มากก็ต้องหามาก การหามากก็เหนื่อยกว่าการหาน้อยถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามากอันนี้เป็นเรื่องที่จะไปกระทบกับจิตใจถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเราหลงกับความหรูหราหลงกับความสวยงามต่างๆเราก็อาจจะ ต้องอยู่แบบรูหราถึงจะมีความสุขแต่เราแทนที่จะมีความสุขเรากลับไปสร้างภาระกดดันให้กับจิตใจทำให้จิตใจนี้ต้องคอยเล่นรนหาเงินหาทองมาเพื่อมาใช้ในการเลี้ยงดูร่างกาย การเลี้ยงดูร่างกายนี้มีหลายระดับด้วยกันระดับมหาเศรษฐีระดับพระราชามหาษัตต์ตรงนี้เขาเลี้ยงดูกันแบบหรูหราแบบเต็มร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งก็ระดับของคนยากจนหรือของพระภิกษุพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่แบบคนยากจนให้อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินก็ใช้ได้แล้ว อ, อย่างพระภิกษุนี่ท่านก็สอนให้รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อก็พ อ, อแล้วอาหารก็ไม่ต้องไปจูจ้จี้จุกจิกไม่ต้องไปเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ให้ยินดีกับอาหารที่ได้มาจากการบินธบาะ ได้รับอาหารอะไรมาก็รับไปรับประทานไปให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาอาหารนี่ก็เป็นยาชนิดหนึ่งมาเยียวยารักษาโรคภัยของร่างกายคือความหิวร่างกายเวลาขาดอาหารก็จะเกิดโรคภัยคือความหิวขึ้นมาก็กินอาหารเข้าไปเหมือนกินยา เวลากินยาเราก็ไม่ได้ไปเลือกว่าจะต้องเอายาชนิดนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้สีสันอย่างนั้นอย่างนี้มีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เวลากินยาเราก็เอาเข้าเอาเข้าปากแล้วก็เกินมันเข้าไปให้มันเข้าไปทำหน้าที่ของมันในร่างกายการรับประทานอาหารก็ขอให้ทำแบบนั้นเหมือนกับเป็นการรับประทานยา อย่าไปหวังหาความสุขจากการรับประทานอาหารด้วยการเลือกเฟ้นหาอาหารชนิดต่างๆที่ถูก อ, อกถูกใจมารับประทานก็จะทำให้เสียนิสัยจะทำให้ติดแล้วจะต้องคอยเฟ้นหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ต่อไปถ้าเงินทองไม่พอใช้ ก็อาจจะไม่สามารถหาอาหารต่างๆแบบที่เคยหาได้เวลารับประทานอาหารที่ไม่ถูกปากถูกใจก็อาจจะไม่มีความสุขและอาจจะมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าฝึกสอนให้รับประทานอาหารแบบเรียบง่ายตามมีตามเกิดอพอให้มาเป็นยารักษารโรคของความหิวของร่างกายได้ ก็จะไม่ต้องเดือดร้อนมากนะในการหาอาหารมารับประทานมีอาหารชนิดไหนก็รับประทานได้ไม่ต้องมาวุ่นวายใจกับการที่จะต้องไปหาอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้มารับประทานเพื่อความสุขแบบปลายลิ้นความสุขได้ขณะตอนที่มันเข้าไปแตะที่ลิ้นนั่นเองตอนที่ได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารน แต่พอเข้าไปในท้องแล้วมันก็หายไปหมดนะแต่ความทุกข์คือความภาระที่จะต้องส่งไปให้กับใจนี้มันทำให้ใจนี้จะต้องคอยสรรหาเงินทองมาคอยซื้ออาหารชนิดต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มาเลี้ยงดูความสุขจากการรับประทานอาหาร ความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารนี้มันเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์ที่มันไปสร้างให้กับจิตใจนี้มันเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงมากกว่าโดยเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาไม่สามารถหาเงินหาทองมาซื้อของตามใจชอบได้ซื้อของกินตามความอยากได้ตอนนั้นก็จะเกิดมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาในใจน ดังนั้นพยายามถ้าอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ขอให้หาปัจจัยสี่แบบสมถะแบบเรียบง่า ย, ยแบบมากน้อยสันโดษให้ดูที่ผลของการใช้ของนั้นว่าเกิดประโยชน์ให้แกบร่างกายหรือไม่เท่านั้นก็พอ ถ้าของร้อยบาทกับของห้าร้อยบาทนี้เกิดประโยชน์เท่ากันทำไมต้องไปเสียเงินมากนะ<ม>เท่นแปรงสีฟันร้อยบาทกับแปรงสีฟันห้าร้อยบาท ม, มันก็แปรงฟันได้เหมือนกันชำระความสะอาดของฟันได้เหมือนกัน<ม>ก็ใช้ร้อยบาทมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอาหาร1้อยบาทกับอาหารห้าร้อยบาทก็เหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกัน เสื้อผ้าร้อยบาทกับเสื้อผ้าห้าร้อยบาทมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่านอกจากการบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วด้วยปัจจัยสี่แล้วเรายังต้องคอยบำบัดความทุกข์ทางใจอีกด้วยความทุกข์ทางใจมันก็เกิดจากการฟุ่มเฟยนี่หละ จากการใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยใช้เงินทองตามความอยากต่างๆอยากได้ของสวยของงามของหรูหราของดีเพราะคิดว่ามันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขกองเวลาที่ได้มาใหม่ๆไม่นานความสุขนั้นก็จะจางหายไป ใส่เสื้อผ้าห้าร้อยบาทกับเสื้อผ้าร้อยบาทหลังจากที่ได้ซื้อมาแล้วมันก็เหมือนกันไม่มีความรู้สึกแตกต่างกันแตกต่างกันตอนที่ซื้อมาใหม่ๆโอ้ได้เสื้อผ้าชุดนี้สวยงามใส่แล้วจะมีความสุขพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ความสุขนั้นก็หมดไปเป็นเป็นความสุขปลอมอย่าไป หาความสุขแบบนี้กันเพราะมันจะไปกดดันไปสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะต้องคอยดิ้นรนคอยหาเงินหาทองมาซื้อของตามความอยากต่างๆแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถซื้อไดอ้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาไดา้แต่ถ้าใช้เงินแบบประหยัดใช้ของแบบประหยัด ก็ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองให้เหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้เพราะยังมียังสามารถอยู่ได้แบบประหยัดอันนี้คือเรื่องของปัจจัยสี่ทางร่างกายและวิธีหาปัจจัยสี่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่จิตใจ ก็คือให้เราหาแบบมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดบางทีเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่อยากจะได้แต่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนเถิดมันก็เป็นแค่เสื้อผ้าทำหน้าที่ปกปิดอวัยวะของร่างกายแล้วก็ป้องกันภัยให้กับร่างกาย เสื้อผ้าชุดใหม่กับเสื้อผ้าชุดเก่าก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันอยู่นี่<ม>พยายามหักห้ามจิตใจด้วยการใช้เหตุใช้ผล<ม>อย่าใช้อารมณ์อารมณ์มันจะหลอกให้เราคิดว่า<ม>ถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะให้เรามีความสุขกัน<ม>ถ้าไม่ได้แล้วจะตายให้ได้<ม>จะเิ่นตายให้ได้<ม>จะรู้สึกชีวิตรู้สึกอับเฉาขึ้นมาม อันนี้เป็นอารมณ์ที่สร้างขึ้นมาด้วยความหลงสร้างจากความอยากของใจนั่นเองถ้าใช้เหตุผลว่า เ, าเสื้อผ้ามีไว้สวมใส่ป้องกันร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันสวยให้มันงามาให้มันทําหน้าที่ของมันได้คือปกปิดป้องกันอวัยวะป้องกันภัยต่างๆ อ, าอันนี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ลักความอยากต่างๆได้ลักความอยากในการที่จะซื้อปัจจัยสีที่มีราคาแพงๆได้อาหารก็มีหลายราคาเสื้อผ้าก็มีหลายราคาที่อยู่อาศัยก็มีหลายราคายารักษาโรคหรือโรงพยาบาลก็มีหลายราคา แต่ก็ทำหน้าที่ดูแลร่างกายได้เท่ากันงั mm ้น hmm. ทำไมจะต้องไปดิ้นลน mm hmm. หาเงินหาทองมาเสียเงินมาก mm hmm. ไปทำไม mm hmm. ไปสร้างความวุ่นวายให้กับใจไปเปล่าๆ mm hmm. ใจกับไม่มีความสุขจากการที่คอยเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราพ mm hmm. mm hmm. ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระเลี้ยงดูร่างกายอย่าง มากน้อยสันโดษเนี่ยอาหารก็ให้บินสบายวันละมือ้อฉันวันละมื้อก็พอแล้วก็ไม่ต้องใช้ภาชนะมากมายเพราะใช้ภาชนะมากก็ต้องมาคอยเลี้ยงคอยมาคอยมาล้างรับประทานเสร็จก็ต้องมาล้างชามล้างถ้วยอะไรถ้าใช้บาตรใบเดียวมันก็ง่าย อาหารอะไรก็ใส่เข้าไปในบาตรอาหารคาวหวานต่างๆก็ใส่เข้าไปในบาตรเดีฉันเสร็จก็ล้างบาตรใบเดียวเท่านั้นนองแป๊บเดียวก็เสร็จถ้าใช้ช้อนใช้ชามใช้ถ้วยใช้อะไรฉันรับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะต้องมานั่งล้างจานอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้เปรียบเทียบการทํางานต่างๆมันก็เท่ากับกรเป็นการสร้างภาระให้กับใจคือ ใจก็ไม่มีใจก็อยากกินแต่ไม่อยากล้างชามมันสังเกตดูเวลากินกินกันได้แต่ว่าล้างจานล้างชามนี่บางทีเกี่ยกันถ้าอยู่คนเดียวบางทีก็ทิ้งมันไว้บางทีหลายชั่วโมงกว่าที่จะมาล้างกันเพราะเวลากินอิ่มแล้วมันขี้เกียจมันอยากจะนอนมันอยากจะสบายมันไม่อยากจะมาทํางานมาล้างถ้วยล้างชาม น, นี่แหละคือปัญหาเราเจ้าเห็นปัญหาของการใช้ปัจจัยสี่ hmm. เวลามาบวชท่านก็เลยสอนพระให้รู้จักใช้ปัจจัยสี่แบบเรียบง่ายแบบสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก อาหารก็ให้ไปบินทะบาทไม่ต้องไปคอยดูเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรดีพวกนี้ไปบินทะบาทได้อะไรมาก็กินตามมีตามเกิดไปแล้วก็ไม่ให้กินมากเกินไปกินแค่วันละมื้อก็พอสำหรับนักบวชไม่ต้องใช้กำลังกายมากไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนกับคาราวาทุูครองเรือน ที่จำเป็นที่จะต้องไปทํางานทําการต้องใช้พลังงานมากต้องกินอาหารมากแต่าสาหรับนักบวชนี่กินมื้อเดียวก็พ อ, อ, อการกินมื้อเดียวก็ลดภาระในการจัดการเรื่องอาหารเรื่องการกินลดภาระไปหนึ่งในสามถ้ากินสามมื้อก็สามเท่ากินมื้อเดียวก็หนึ่งเท่าปัญหาก็น้อยอ เวลาก็ที่ต้องหมดไปกับการรับประทานอาหารก็น้อยลงจะได้มีเวลามาสร้างความสุขให้กับใจจากการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกันพระเจ้าจึงสอนให้พระใช้ปัจจัยสี่แบบมากน้อยสันโดษบินทบาทก็หาจากการบินอาหารก็หาจากการบินทบาท แล้วก็ฉันในบาตฉันมือเดียวฉันหนเดียวฉันเสร็จก็ล้างบาตแป๊บเดียวเสร็จเสร็จแล้วก็จะได้ไปหาความสุขทางใจดีกว่าจากการปฏิบัติธรรมเรื่องอาหารก็ให้หาแบบนี้เรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้ใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นสมัยก่อนเขาจะใช้ ผ้าหอศพเอาศพไปทิ้งไว้นในป่าช้าให้เน่าเปื่อยผ้าก็ไปเก็บผ้าที่ที่หอศพที่ศพที่เน่าเปื่อยหมดแล้วเหลือแต่ผ้าหอกระดูกก็เอาผ้านั้นมาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็บเป็นกีวรไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปทำงานทาการหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้อผ้ามาตัดมาเย็บ แล้วก็ไม่ต้องรบกวนชาวบ้านเขาให้เพึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ในป่าสำหรับพระปฏิบัติธรรมนี้ต้องการที่สงบไปอยู่ตามโคนไ ม, ม้หรืออาจจะไปทำเพิงใต้โคนไม้เพื่อหลบแดดหลบฝน อ, อยู่แบบง่ายๆพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ มีที่นั่งสมาธิมีที่เดินจงกรมได้ก็พอนีก็เกิดที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยค่้เจ็บก็ใช้ยาดองน้ำมูลน้ำมูลก็คือน้ำปัสสาวะเผลไม้เช่นมะเขาะมะมะขามามะมะกรอกมะดองมะกรอกมะมีผลไม้บางอย่างที่ก็ใช้ดองกัน แล้วก็ดื่มน้ำมันเวลาเจ็บไข้ได้ปวดเวลาปวดท้องปวดศรีรษะปวดอะไรก็ดื่มยาดอง<ม>ก็พอที่จะเยียวยาได้พออยู่ได้<ม>ถ้าเป็นมากก็ใช้ธรรมโอสถ<ม>คือใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิ<ม>ในการสอนให้ใจอยู่ในความสงบเพื่อปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายมันรักษาของมันไปเองรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปพอร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตายมันก็ต้องเจอโรคที่รักษาไม่ได้โรคที่มีกับร่างกายนี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันโรคที่เป็นแล้วหายเอง บางทีปวดศีรษะพักพักนึงเดี๋ยวก็หายปวดท้องสักพักนึงเดี๋ยวก็หายเนี่ยแล้วก็โรคที่เป็นแล้วไม่หายต้องกินยาถึงจะหายเนี่แล้วก็มีโรคที่ชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีมีแต่จะรอวันตายเท่านั<ม>้นนี่ก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายไม่ว่า จะเป็นใครก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นขอทานเป็นพระก็ต้องเจอโรคภัยแบบนี้ด้วยกัน<ม>แล้วก็หนีไม่พ้นความตายด้วยกันในที่สุดก็ต้องตายมีเงินทองมากมายกายกองก็ไม่สามารถที่จะป้องกันร่างกายไม่ให้ตายได้งั<ม>้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายกับการรักษา<ม>ร่างกายให้มากจนเกินไป รักษาพอให้มันอยู่ได้เพื่อที่จะได้ไม่ไปกดดันจิตใจไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะว่านอกจากการดูแลร่างกายแล้วเรายัางต้องดูแลจิตใจด้วยและความความสุขความทุกข์ของจิตใจนี้สำคัญกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายเพราะเป็นความสุขความทุกข์ที่ยาวนานกว่า และเป็นความสุขความทุกข์ที่มีน้ำหนักมากกว่ากันอย่างนั้นปล่อยให้ร่างกายทุกข์ดีกว่าปล่อยให้จิตใจทุกข์ถ้าต้องเลือกระหว่างให้ร่างกายทุกข์หรือให้จิตใจทุกข์ก็ปล่อยให้ร่างกายมันทุกข์ไปดีกว่าถ้าทำให้จิตใจมันไม่ทุกข์ได้เช่นปล่อยวางทำใจให้สงบเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเครียดกับมัน มันไม่หายก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไปใจก็เข้าสู่ความสงบไปดีกว่าใจสงบใจก็ปล่อยวางลืมเรื่องของร่างกายไปชั่วคราวรใจก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจบฉนั้นจะต่อให้เลี้ยงดูมันดีอย่างไรก็ตาม มันก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดีแล้วไปเลี้ยงดูมันแบบที่ทําให้ใจวุ่นวายก็ไม่คุ้มค่าเพราะเราไปสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาที่เป็นความทุกข์ที่หนักมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธในการรักษาเลี้ยงดูดูแลร่างกายไปตามอัตภาพนมียากินมีหมออะไรรักษาก็รักษาไป แต่ถ้ามันจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจก็อย่าทำดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่า<ม>เพราะใจอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแ ล, ล้วนี้ใจยังอยู่ต่อไปใจก็อยู่แบบสุขหรือแบบทุกข์ต่อไปถ้าวุ่นวายทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจก็ยังทุกข์ต่อไป น, นี่คือเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายเลี้ยงดูร่างกายบำบัดทุกข์บำบัสุขของร่างกายนี้ต้องใช้หลักนากน้อยสันโดษใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ได้ก็พอแล้วพอบำบัดความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้ก็พอแล้วไม่ต้องให้มันหรูหราไม่ต้องให้มัน วิเศษวิโสเพราะมันจะไปทําให้เกิดภาระทางจิตใจขึ้นมาไปทาไปกดดันไปทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคอยกําจัดอยู่แล้วถ้าการเลี้ยงดูร่างกายทําให้เกิดความทุกข์ทางใจนี้แสดงว่าเราต้องผ่อนเราต้องลดระดับการเลี้ยงดูร่างกายลง ให้มันเข้าสู่ระดับที่ใจไม่ทุกข์ให้ใจปล่อยวางให้ใจเฉยให้ใจเย็นได้เราจะได้ไม่ขาดทุนเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้สำคัญกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายนั่นเองถ้าไม่รู้จักรักษาความสุขไม่รู้จักบาบัดความทุกข์มันก็จะมีความทุกข์ให้กับใจไปเรื่อยความสุขก็จะไม่ค่อยมี พอไปหลงกับการหาความสุขความทุกข์ให้กับทางร่างกายไปแต่ไปสร้างความทุกข์ให้กับทางใจ<ม>โดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นผู้ที่จะดูแลทั้งสองส่วนนี้ต้องช่างน้ำหนัก<ม>เวลาที่จะต้องเลือกระหว่างการกาจัดความทุกข์ทางร่างกายกับการกาจัดความทุกข์ทางใจถ้ามัน ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจในการกำจัดความทุกข์ทางร่างกายก็อย่าอย่าทำดีกว่าแต่ถ้ากำจัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วไม่มาทำให้เกิดความทุกข์ทางใจก็ทำไปแต่ถ้าเราสร้างความทุกข์ให้กับใจทำให้ใจเครียดใจวิตกใจกังวลอันนี้เราก็ต้องปล่อยวางร่างกายดีกว่านักสามันไปตามกาลัง มันจะหายก็หายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปมันอยู่ไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะนี่คือเรื่องของร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายไปนั่นเองแต่เรื่องของใจนี้มันไม่ตายใจจะได้รู้จักวิธีอยู่แบบไม่ทุกข์ถ้ายังต้องไปเกิดใหม่เวลาไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอันใหม่มากจนเกินไป พอจะรู้จักวิธีอดูแลร่างกายไม่ให้มาทําให้เกิดความทุกข์กับทางใจนั่นเองแล้วถ้ารู้จักวิธีรักษาใจต่อไปก็อาจจะไม่ต้องมามีร่างกายก็ได้พอจะเกิดความฉลาดขึ้นมาจะรู้ว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นการสร้างความทุกข์ใจกับใจนั่นเอง ก็ไม่มีร่างกายแล้วใจก็ต้องคอยดูแลร่างกายใจก็ต้องทุกข์วุ่นวายกับการดูแลร่างกายต่อไปก็อาจจะหยุดมีร่างกายก็ได้ด้วยการหยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับใจแล้วหันมาหาความสุขให้กับใจโดยการปฏิบัติทำตามที่พระเจ้าทรงสอน ให้เรามาหาปัจจัยสี่ของใจกันดีกว่ามาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจ<ม>เพราะถ้ามีปัจจัยสี่ให้กับใจแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีแต่ความสุขไปตลอด<ม>แล้วใจจะไม่ต้องมีร่างกายด้วย<ม>ถ้ามีปัจจัยสี่ทางของใจแล้วใจไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจ ตอนนี้พวกเรามีร่างกายกันเพราะเพราะว่าเรายังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายกันต้องหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย <c oughs> เพราะเรายังมีความอยากดูอยากฟังอยากนิ้มนวดอยากนมกลิ่น <c oughs> อยากสัมผัสอะไรต่างๆที่มากระทบกับร่างกาย <c oughs> เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายกันแต่ถ้าเรามาหาปัจจัยสี่ให้กับใจเนี <c oughs> มาเลี้ยงดูใจด้วยปัจจัยสี่ของใจต่อไปใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจใช้ปัจจัยสี่ของใจปัจจัยของสี่ของใจก็มีหนึ่งทานการทำทานสองการรักษาศีลสาการฝึกสมาธิสี่การเจริญปัญญา นี่คือปัจจัยสี่ของใจที่จะทำให้ใจมีความสุขที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดไปปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจคือทานนี้ก็เปรียบเหมือนกับอาหารของร่างกายการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนกับการให้อาหารมาหล่อเลี้ยงจิตใจ พอเวลาทำบุญทำทานแล้วจะเกิดความอิ่มใจขึ้นม า, เ, าเกิดความสุขใจขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราเกิดความหิวอยากได้นูน่นอยากได้นี่แสดงว่าใจหิวละถึงแม้ร่างกายจะไม่หิวตุ่งรับประทานอาหารเสร็จร่างกายมีปัจจัยสี่พร้อมแต่ใจยังหิวขึ้นมาได้แต่ใจไปหิวกับสิ่งที่เป็นยาเสพติด ใจจะไปหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพชนิดต่างๆอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสนมกลิ่นเถ้าเกิดความหิวทางใจนี้เราต้องห้ามใจแล้วอย่าไปอย่าไปเสพยาเสพติดของใจอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่ของใจเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารมันเป็นยาเสพติด อาหารของใจก็คือการทาบุญทําทานการทาความดีต่างๆแทนที่จะไปเสพรูปเสียงกลิก่นรสก็เอาเวลาไปทําความดีความดีนี้ทําแบบใช้เงินก็ได้ถ้ามีเงินก็เอาไปเอาเงินไปใช้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนผู้ที่ก็ขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือเอาเงินเอาทองไปให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากลาบาก เขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอเราเห็นเขาได้ความสุขจากการกระทาของเราใจของเราก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาถ้าไม่มีเงินทองก็ทำความดีไปก็ได้ทำตนเองให้เป็นประโยชน์เช่นไปเป็นอาสาสมัครทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นจิตอาสาไปร่วมกับมูลนิธิต่ตางๆ ใช้กำลังกายของเราในการทำบุญก็ได้ไปรับใช้สังคมไปช่วยเหลือสังคมด้วยการทำงานต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานอีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินมีทองเวลาเกิดความหิวอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอะไรก็ ไปทำความดีกันไปทำบุญทำกุศลกันไปทำประโยชน์ให้กับสังคมกันแล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วความหิวที่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆมันก็จะหายไป<ม>เบาไปถ้าทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรดกันไม่ต้องไป ไปเที่ยวกันไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้มาดูมาฟังกัน ừ...... เวลาหิวก็ให้อาหารใจด้วยการทําบุญทําทานด้วยการทําความดีต่างๆเป็นเสียสมาเสียสละเ ừ...... สียสละประโยชน์สุขของตนให้กับผู้อื่นไป ừ... แล้วชีวิตก็จะปลอดภัยจกากการไปเสพจกากการไปติดยาเสพติดของใจ อพอเวลาเสบรูปเสียงดิ่นแล้วแนละ้วมันจะติดมันจะต้องเสบอยู่เรื่อยๆเวลาไปเที่ยวแล้วก็อยากติดอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไปช้อปปิง้งมันก็จะติดอยากจะไปช้อปปิ้งอยู่เรื่อยๆขณะไหนไม่ได้ช้อปปิ้งแล้วรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมารู้สึกไม่ได้อไม่เหมือนกับไม่มีอาหารอย่างนี้พอได้ไปช้อปไปเที่ยวหน่อยรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสุขใจขึ้นมา แต่เป็นความสุขชั่วขณะเท่านั้นเองเดี๋ยววันต่อมาก็เกิดความหิวขึ้นมาอีกนะนั่นต้องเปลี่ยนวิธีให้อาหารกับใจอย่าให้ยาเสพติดกับใจอย่าให้รูกเสียงกิ่นรสรดทะพกับใจไปให้การทำบุญทาทานกับใจทำแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพราะจะเห็น คุณค่าของการกระทําของเราว่าโอ้ยเราเป็นเราสามารถทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้เราสามารถทําให้คนอื่นเขาหายจากความทุกข์ได้สามารถทําให้คนที่ร้องไห้นิยิ้มขึ้นมาได้ทำแล้วจะทําให้เรามีความภูมิใจในตัวเราเองมีความอิ่มใจสุขใจแล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะไปเสพพวกรูปเสียงกิ่นรสต่างๆทุกครั้งถ้าใจหิวก็ไป ทำบุญไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นนี่เรียกว่าทานเป็นอาหารของใจเมื่อมีทานแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขในระดับขั้นที่สองปัจจัยข้อที่สองของใจก็คือศีลศีลนี่ก็คือเป็นเครื่องรุ่งห่มของใจไว้ป้องกันภัยให้กับใจและเสริมสวยความงามให้กับใจ ก็คือการไม่ทำบาปและการไม่เสพอบาอยมุกต่างๆเพราะการทำบาปการเสพอบาอยามุกนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ให้กับใจและจะทำให้ใจต้องไปรับภัยของการไปเกิดในอบายต้องไปรับภัยของเปรตรับภัยของอสุรกายรับภัยของนรกรับภัยของเดราาัจฉาน ถ้ารักษาศีลได้ก็จะป้องกันศีลนี้ถ้าไม่ทำบาปแล้วใจจะไม่ตกไปในอบาย<ม>เวลาร่างกายตายไปใจไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกใจจะปลอดภัยจากอบาย<ม>อันนี้เป็นศีลเป็นเหมือนเครื่องนุ่งหม่มเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้กับ จิตใจ<ม>แล้วศีลก็เป็นเครื่องเสริมสวยความงามให้กับใจด้วย<ม>เพราะใจที่มีศีลนี้จะเป็นใจที่น่าชื่นชมยินดี<ม>น่าคบค้าสมาคมด้วย<ม>เวลาที่เราครบค้าสมาคมกับค น, น<ม>เราจะดูว่าเขาเป็นคนอย่างไร<ม>เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี<ม>คนไม่ดีเราก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย เราชอบคบกับคนดีคนดีเป็นยังไงก็คือคนที่มีศีลนี่เองเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของตนเช่ <c oughs> นการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยอยู่กับใครคนที่ไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นคนที่น่าอยู่กับ <c oughs> กับคนที่ฆ่าสัตว์ เพราะคนที่ฆ่าสัตว์นี้วันดีคืนดีเขาอาจจะมาฆ่าเราก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์นี้เขาจะไม่มีวันที่จะมาฆ่าเราได้คนที่ไม่รักทรัพย์เขาก็จะไม่มารักทรัพย์ของเราคนที่ไม่ประพฤติผ่ิประเวณีเขาก็จะไม่มายุ่งกับแฟนของเราไม่มายุ่งกับสามีภรรยาของเราคนที่ไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาก็จะไม่มาพูดโกหกหลอกลวงกับเรา คนที่ไม่ดื่มสุลายาเมาก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยไม่เป็นคนที่ไม่มีสติคนที่ดื่มสุลาแล้วจะมึนเมาแล้วมักจะอาลวาดสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้นี่แหละคือความสวยงามของคนเราสวยที่ใจนี่สวยด้วยศีลธรรมไม่ได้สวยที่ร่างกาย น่างกายต่อให้สวยอย่างไรก็ตา ม, มแต่ถ้าใจไม่สวยแล้ว<ม>จะไม่มีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วย<ม>จะคบได้ก็นในช่วงแรกๆเท่านั้นเองช่วงที่ยังไม่รู้ใจว่าเป็นอย่างไร<ม>แต่พอได้คบค้าสมาคมรู้จักกันพอเริ่มรู้จักว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดจริตแล้วต่อไปก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไรจะมีเสื้อผ้าอภรรสวมใส่สวยงามอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใจไม่สวยแล้วความไม่สวยของใจนี้มันไปทาลายความสวยของร่างกายได้หมดเลยทำให้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือหน้าที่ของศีลจะทำให้ใจนี้ปลอดภัย จากการที่จะต้องไปรับภัยของอบายไม่ตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วก็เป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะไม่ไปสร้างความเสียหายไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเวลาเราทำงานกับใครนี่ทำธุรกิจกับใคร ถ้าเราทำกับคนที่ไม่มีสีนี้เราจะไม่อยากจะทำเพราะไม่รู้ว่าเขาจะโกงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะโกหกหลอกลวงเราเมื่อไหร่ถ้าเราทำกับคนมีสีนี้เราก็จะสบายใจนี่คือข้อที่สองของปัจจัยที่จะทำให้ใจมีความสุขเพราะใจที่มีสีนี้จะไม่มีความทุกข์เพราะไม่ไปท่ามความทุกข์ให้กับใคร เมื่อไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครทุกมันก็จะไม่เกิดขึ้นมากับใจถ้าไปท่านความทุกข์ให้กับใครแล้วใจมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของของเสื้อผ้าผรอนของใจก็คือศีลข้อที่สามคือสมาธิสมาธินี้เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของใจใจเวลาที่ไม่มีสมาธินี้ใจจะ วุ่นวายได้ใจจะเครียดขึ้นมาได้ใจจะทุกข์ใจจะวิตกกังวลได้แต่ถ้าเวลาใจสงบใจอยู่ในสมาธิความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจเปรียบเทียบห้ก็เป็นเหมือนบ้านของร่างกายเวลาอยู่นอกบ้านนี้ จะต้องเจอภัยต่างๆเจอจากภัยจากลมฝนพายุเจอภัยจากแดดร้อนเจอภัยจากสิงสาราสัตว์ต่างๆเจอภัยจากมนุษย์มิจฉาชีพต่างๆแต่พอได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเพราะบ้านนี้จะป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆที่อยู่นอกบ้านเข้าไปในบ้านได้เลยนังนั้นใจ เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ก็เหมือนใจที่อยู่นอกบ้านเวลาอยู่นอกสมาธิใจจะลุจะมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับคนนี้เดี๋ยวก็ทุกข์กับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็เครียดกับสิ่งนี้เดี๋ยวก็กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้มีเรื่องของความทุกข์มาคอยเบียดเบียนใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ารู้จักเข้าสมาธิ พอเรื่องมันจะม า, มากเกินไปถ้ามีเวลาว่างไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ข้างนอกก็เข้าสมาธิดีกว่านั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเรื่องเครียดต่างๆจะหายไปหมดจะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจเลย น, นี่คือที่อยู่อาศัยของใจที่ ใจต้องการที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ด้วยการจเจริญสติใจจะสงบได้นี้ต้องมีสติเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีศีลแปดเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเพราะศีลแปดจะได้ห้ามใจไม่ให้ไปเสพพวกยาเสพติดต่างๆของใจคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วให้ใจมาเสพความสงบแทน หายใจมาฝึกสติมานั่งสมาธิาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำให้ใจเข้าบ้านของตนเองเพอใจสงบแล้วใจก็จะสบายนะอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สามของใจคือที่อยู่อาศัยคือสมาธินะต้องต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้ถ้าสร้างไม่ได้ก็เหมือนคนไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยนะ เวลามีพายุก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเวลามีภัยต่างๆก็จะไม่รู้จะไปหลบที่ไหนได้ mm hmm. แต่ถ้ามีสมาธิมีบ้านเช่นสมาธิเวลาใจวุ่นวายนี่ mm hmm. ก็เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเอง mm hmm. ก็หาย mm hmm. ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแก้ปัญหาต่างๆป mm hmm. ัญหาต่างๆบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ mm hmm. ยิ่งพยายามไปแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ยิ่งทำให้ใจทุกข์ใหญ่ยิ่งใจทำให้ใจเครียดใหญ่วิธีง่ายๆก็คือถ้าวุ่นวายใจกับปัญหาอะไรต่างๆก็ทิ้งมันไปหลบ้าไปในสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อนแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาใจที่สงบนี้จะเป็นใจที่มีเหตุมีผลจะเป็นใจที่ไม่มีอารมณ์ถ้าคอยแก้ปัญหาด้วยอารมณ์นี้มักจะแก้ไม่ได้ เพราอารมณ์บางทีอยากจะแก้ขึ้นในสิ่งที่แก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอารมณ์พอเห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาที่แก้อะไรไม่ได้ก็ตัดใจปล่อยมันไปก็เท่านั้นเองอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอะไรจะไปก็ให้มันไปปัญหาทางใจคือความทุกข์ใจมันก็จะหายไปอันนี้คือปัญญาที่จะต้องใช้เป็นปัจจัยข้อที่สี่ ต้องรู้จักใช้ปัญญารู้จักใช้เหตุใช้ผลเวลาที่ใจเกิดโลกขึ้นมาคือโลกของความเครียดโลกของความทุกข์ที่เกิดกับปัญหาต่างๆที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามถ้าไม่มีปัญญานี้จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญญารู้จักใช้เหตุใช้ผลรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดเนอ สิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงทนะั้งนั้นจะรักษามันยังไงดูแลมันยังไงในที่สุดมันก็ต้องมีวันจบของมันถ้ามันจะจบในตอนนี้ก็ให้มันจบไปไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันรักษาใจรักษาความวุ่นวายใจด้วยปัญญาความวุ่นวายใจนี้ก็เป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายนี้ถ้าต้องการรักษาให้มันหายไปอย่างหายขาดนี่ ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้สมาธินี้เป็นการเพียงหลบปัญหาปล่อยปัญหาไว้ชั่วคราวเข้าไปในสมาธิพ<ม>อออกจากสมาธิมามาเจอปัญหาเก่าก็ถ้าไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปวุ่นวายไปกับมันอีกเพราะมันจะใช้อารมณ์แทนใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะใช้ความอยากแทนอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่อยากยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ มันก็จะทำให้ใจทุกข์ใจเครียดต่อไปได้เพระนะนั้นถ้าอยากจะให้ใจไม่ทุกข์ไม่เครียดกับอะไรนี้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องหัดใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผล mm hmm. เพราะว่าใจที่ออกจากสมาธินี้เป็นใจที่เย็นเป็นใจที่มีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์รุูกว่าแต่อาจจะอยู่ไม่ได้นานเท่านั้นเอง ถ้าออกมาสักพักหย่างนะเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็อาจจะโผูกขึ้นมาได้ใหม่่างนั้นช่วงที่ใจเยน็นใจมีเหตุมีผลนี้หัดใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหา <c oughs> ปัญหาต่างๆนี้มันก็อยู่ในกรอบของตายรักทั้งนั้น <c oughs> ตาลรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราไปเกี่ยวข้องไปวุ่นวายด้วยไปทุกข์ด้วยนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น มันของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเวลามันเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากให้มันไม่เปลี่ยนไปในทางนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องดูว่าแล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าไปห้ามมาให้มันไม่เปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบได้หรือเปล่า เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปมันเป็นอนตัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเห็นอนิจจังเห็นอนตัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจังเป็นอนตัตตาสิ่งนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนตัตตาเขาเกิดเขาดับเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีมามีไปถ้าเราไปอยาก ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก sure> ็จะทําให้เราทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากของเราเมื่อมันอยากให้มันอยู่มันไม่ยอมอยู่มันจะไปก็ให้มันไปส่วนในส่วนที่เราอยากให้มันไปมันไม่ไปก็ปล่อยมันอยู่ไปมีทั้งสองส่วนส่วนที่เราอยากให้ไปบางทีมันก็ไม่ไปส่วนที่เราอยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันจะไป ถ้าเราอยากให้สิ่งที่จะไปให้มันอยู่เราก็จะทุกข์ audible, ถ้าเ <junior> like ราอยากให้สิ่งที่มันอยู่ให้มันไปมันไม่ไปเราก็จะทุกข์เนี่ยเราต้องรู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เะฉั้นเราต้องดูความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆว่าเป็นเป็นอย่างไรทิศทางของมันมันจะเป็นอย่างไรมันจะไปทางนี้เราไปอยากให้มันไปอีกทางอย่างเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้ามันจะไปทางนี้ก็ปล่อยมันไปถ้าเราล้างมันไม่ได้ดึงมันมาไม่ได้มันจะไปก็ให้มันไปแล้วใจของเราก็จะไม่ถูกนี่คือปัญญาต่อ<ม>ไปถ้าใจเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักใจเราจะไม่ทุกกับอะไรเพราะเราจะไม่ไปควบคุมบังคับในสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้<ม>สิ่งไหนที่ยังควบคุมบังคับได้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ก็ทาไป แต่พอถึงขีดที่ควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันเป็นไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวอะไรต่อไปอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของของใจในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาและเมื่อความทุกข์ต่างๆ ที่ได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาหมดไปแล้วเ hmm. มื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเป็งอย่างเดียว hmm. Hmm. ใจก็จะมีความสุขไปตลอดเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไม่ต้องไปหากับอะไร hmm. ก็จะทำให้ใจไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องอาศัยร่างกายพามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป hmm. ใจก็ไม่ต้องมีภาระกับร่างกายไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูไม่ต้องมาคอยทุกข์กับร่างกายเพราะร่างกายถึงแม้มันจะดีขนาดไหนในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายเวลามันแก่เจ็บตายมันก็จะทำให้ใจทุกข์นั่นเองเอนี่แหละคือการมาศึกษาวิธีที่จะเลี้ยงดูชีวิตของเราให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ด้วยการ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เรารู้จักหาปัจจัยสี่แบบมากน้อยสันโดษแบบพอเพียงแล้วก็ให้เราหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจคือด้วยการทำทานด้วยการรักษาสี่งด้วยการฝึกสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถปฏิบัติได้รับรองได้ว่าต่อไปชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ความทุกข์ต่างๆนี้จะไม่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปาริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสันวิาตุสัพเพปุเรนโตสังกปาดันโทปันาราโสยาถามณนิโชติราโสยาถา สัพพีติโยวิวัจันโตสัพพะโรโขวินากสัตวมัเตภวตวันตรายุสุขีทิขายุโกภวาอะิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายีโนจะตารุธรรมวาทานติอายุวันุสุขัง ฮาลางสาธุสำหรวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้านค่ะพระอาจารย์ a c e b o o k 417 YouTube 226วิทยุออนไลน์10แล้วก็ซูม8รวม661ค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญอ่านได้เลย คำถามจากอินบ็อกค่ะแม่มีลูกสองคนเรื่องที่อยู่บ้านตัวเองมีลูกชายลูกสะั้ยลูกสาวออกสัญจรบวชถือศีล8ปดยังไม่ปลงผมน้องชายไม่พอใจเหมือนขวางการปฏิบัติรักษาศีลของพี่อยู่ที่ไหนก็ตามให้กลับมาดูแลแม่ซึ่งแม่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้จะรับกรรมแบบไหนเป็นของของตอนเจ้าคาจะรับอะไรนะรับกรรมค่ะคือน้องชาย <ก>ไม่พองนายเองอก็น้องชายก็ไม่พอใจก็ก็ทุกไปท่านั้นเองความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของน้องชายเทหน่อยอาจจะตรงที่ว่าพอพี่สาวไม่อยู่ก็เลยตัวเองเลยต้องดูแลแม่มากขึ้นตัวเองก็เลยไม่พอใจอยากจะให้พี่สาวมาแบ่งดูแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูแม่ก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ความสําคัญที่ว่อ ย, อยู่อยู่ที่แม่แหละ ถ้าแม่เขาไม่เดือดร้อนเขาดูแลตัวเขาเองได้แล้วเขาอนุโมทนายินดีกับการไปปฏิบัติธรรมของลูกสาว<ๆ>ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะนอกจากว่าถ้าเกิดแม่ต้องการความช่วยเหลือดูแลลูกก็ต้องมาแบ่งเวลามาดูแลแม่ตามความสมควรเพราะ ก, การเลี้ยงดูแม่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนึ่งเป็นการทำบุญ เป็นมงคลอย่างยิ่งมาตาปิตุอุปทานะังเอตมังกลมุตตมังการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอุปสรรคในการปฏิบัตนะิสามารถแบ่งเวลาได้เวลาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ดูไปเวลาปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติไปก็ต้องคุยกันระหว่างพี่น้อง ว่จะเอาอยัางไงแบ่งเวลาดูแลแม่อย่างไรน้องดูแลครึ่งนึงพี่ดูแลครึ่งหนึ่งแบ่งเวลาจัดเวรกันเพื่อที่จะได้ให้เขาสบายใจคําถามจาก y o u ูทูบค่ะวันพระทําบุญอะไรได้บุญกุศลมากที่สุดครับวันไหนมันก็เหมือนกันะบุญที่มากที่สุดมันก็ต้องบุญการภาวนา การจะภาวนาได้มันก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน mm hmm. การจะรักษาศีลได้ก็ต้องทำบุญทำทานให้ได้ก่อนดัง mm hmm. ั้นมันเป็นเหมือนขั้นตอนของการเรียนหนังสือเรียนเรียนชั้นไหนจะได้ความรู้มากกว่ากันก็เรียนชั้นปริญญาเอก mm hmm. แต่การจะไปเรียนปริญญาเอกได้มันก็ต้องผ่านปริญญาโทรปริญญาตรีต้องเปลี่ยนผ่านชั้นมัธยมชั้นประถมก่อน ดังมันก็ต้องไล่ขึ้นไปจากจากต่ำขึ้นไปหาสูงก่อนะทำบุญทำทานให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วก็รักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้ก็ไปติวิเวกได้ก็ไปภาวนาได้ก็อยู่วัดได้ก็ไปนั่งสมาธิได้อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามตามกำลังของตนถ้าไปภาวนาได้ก็ไปเลยไม่ห้าม ไม่้องทำทานก็ได้แต่ต้องรักษาศีล น, นักภาวนาเนี้ยเขารักษาศีลแปดกันขึ้นไปคําำถามจากคุณสอนค่ะหากเราเลี้ยงปลาแล้วเราเอาให้เพื่อนเลี้ยงต่อแบบนี้เราจะบาปไหมครับหรือควรเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติดีกว่าครับก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนเขาจะไปเลี้ยงต่อก็ให้เขาไป เถ้าเราอยากจะให้เขากลับคือเสื่คกลืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไปปล่อยเขาค่ะคำถามจากคุณโซลูเทคปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้จากการเจริญสมาธิใช่หรือไม่ครับหรือจาเป็นต้องฝึกฝนครับอปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการฝึกสมาธิสมาธิเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนให้ให้การเจริญปัญญาเป็นไปได้ ถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำทำให้ใจไม่สามารถพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลในสิ่งต่างๆได้ในเบื้องต้นต้องสยบอารมณ์ต่างๆให้มันมันลดลงก่อนหรือให้มันลดแล้วค่อยมาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุด้วยผลต้องพิจารณาไจรักถึงจะเกิดปัญญา ต้องพิจารณาอนิจจังความไม่เท่งแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆ ต, ต้องพิจารณานัาตาความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้หยุดความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆคําคถามจากคุณปรีชาค่ะตอนนี้จิตไม่สงบพะโมกแต่ลุ่มหลงพระเครื่องมากทํายังไงให้สงบได้ครับ ก็ต้องเจริญสตินะพุโทธโธพุทโธเวลาจะดูพระเครื่องก็ดูพระพุทธเจ้าดีกว่าดูพุทโธดีกว่าพุทโธขึ้นมามบริกรรมพุทโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะเย็นใจก็จะเบาเดี๋ยวใจก็จะสงบขึ้นมาเองคำถามจากคุณจันทการคะ่ะหนูรักแม่มากคะ่ะคุณจะตอบแทนบุญคุณของแม่อย่างไงดีคะ ก็ทำให้คุณแม่มีความสุขในทุกลูกแบบที่เราทำได้คำถามจากคุณแอชโบเลอร์การผิดศีลเป็นการผิดสัจจะไหมเจ้าคะก็ข้อสามเนี่ยข้อสี่มันก็เป็นสัจจะการไม่พูดปดเนี่ย ถ้าไม่พูดปดก็ผิ ด, ผ ด, ผดสัจจ์แต่ถ้าทำผิดศีลข้าอื่นก็ไม่ถือว่าขาดสัจจ์เช่นไปไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นการไม่มีสัจจ์อนอกจากว่าเรามีตั้งสัจจ์ว่าเราจะไม่ฆ่าแล้วเราไปฆ่าก็ถือว่าเราเสียสัจจ์ถ้าเราถือศีลห้าแล้วเราไปทำผิดศีลนี่ก็ถือว่าเสียสัจจ์ได้ คำถามจากคุณแองเกิลอร์อีกคำถมนึงค่ะทำไมเราถึงบุญน้อยเจ้าคะไม่อยากมีบุญน้อยจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะบุญน้อยเพราะทำมาน้อยอยากมีบุญมากก็ทำมากเหมือนคนที่มีเงินฝากในธนาคารน้อยเพราะฝากน้อยมันก็มีเงินน้อยฝากถ้าอยากจะให้มีเงินฝากมากก็ฝากให้มากๆการที่ยาวเงินไปเที่ยวไปซื้อของไม่จําเป็นของฟุ่มเฟยก็เอาไปฝากธนาคารอยู่เรื่อย อันนี้ก็เหมือนกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งก้าวเงินไปทำบุญทำบุญอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมุญมก็มากขึ้นมาเองคำถามจากคุณรุ่งค่ะบางครั้งเราเหยียบสัตว์ตายแม้เราจะไม่ตั้งใจแต่ความรู้สึกเสียใจตามรบกวนอยู่ขอวิธีวางใจเจ้าค่ะก็ให้นึกถึงคำสอนของพระเจ้าว่าสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ทกรรมบันดาไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันไม่คิดว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามคำถามจากคุณอารโบเลอร์ er, การทําสมาธิจะก้าวหน้าถึงไหนอันนี้จะขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่เรามีใช่ไหมเจ้าคะกําลังบุญก็มีส่วนสนับสนุนในการทําสมาธิ เราะคนทาบุญเนี่ยจะมีใจเย็นใจสงบในระดับหนึ่งแต่จิตจะสงบได้มากหรือน้อย น, นิ้มไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําบุญอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการเจริญสติเป็นตัวสำคัญต้องมีสติที่สามารถคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบได้ถึงแม้ จ, จะทาบุญมาน้อยก็าตาม ก็ถ้ามีมีการสร้างสติได้มากก็ทดแทนกันได้คำถามจากคุณศรีวิวิกาภาวนาค่ะแต่รักษาศีลห้ายอย่างเดียวได้ได้หรือไม่เจ้าคะได้แต่ผลมันจะได้น้อยเพราะการถือศีลห้านี้มันยังทำให้ใจไปทะเลถลายได้ mm. อยากจะดูละครก็ยังดูได้อ mm. อยากจ ะ, ะไปเที่ยวไปงานของใครก็ยังไปได้ อยากจะกินอาหารเย็นนานารค่ําก็ยังกินได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วมันก็จะไปทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มันก็จะทําให้มีเวลามาภาวนาได้มากขึ้นผลก็จะมากขึ้นถ้าภาวนามากผลก็จะมากภาวนาน้อยผลก็น้อยแต่ถ้าเราเป็นคนภาวนาน้อยอยู่แล้ว<ม>ก็ถือศีลแปดหรือถือศีลห้ามันก็ภาวนาเท่ากันมันก็ไม่ต่างกัน มันก็อยู่ที่ว่าเราภาวนาเราต้องการภาวนามากหรือภาวนาน้อยถ้าเราต้องการภาวนามากบางทีถ้าถือสินห้ามันอาจจะภาวนาไม่ได้เพราะอาจจะไปติดงานนั้นงานนี้งานเลี้ยงงานมันเกิดงานอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนามากเราถือสินแถือสีนห้าก็ภาวนาเท่ากันอันนี้ก็สีนห้าสินแปก็ไม่ต่างกัน คำถามจากคุณเมทินีค่ะมีสภาวะจิตหลุดขณะนอนหลับสองครั้งแล้วควรจะจัดการอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นสภาวะอย่างเหมือนเหมือนฝนตกแดดออกฟ้าแลบเมันฟ้าแลบก็แลบไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มันไม่มาทำให้จิตมันหายไปหรือเป็นอะไรไปจิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ต้องไปเต้นเต้นตกใจไม่ต้องไปทําอะไรให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆ หรือว่ามันเป็นตายรักไปหรือว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหรือว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้คำถามจากคุณเล็กค่ะเข็บสร้อยข้อมือได้แต่ดูว่าจะไม่มีมูลค่ามากเท่าไหร่ประกาศหาเจ้าของมาสองสัปดาห์แล้วไม่มีใครมาแสดงตน เราจะทำยังไงดีคะเก็บไว้เนี่ยจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะถ้าเก็บไว้เพื่อคืนเขาก็ไม่บาปแป่อย่างไดแต่ถ้าเก็บไว้เป็นสมบัติของเราก็ถือว่าก็ยังยากที่ออกรับเข้าอยู่ค่ะคำถามจากคุณโ o ลเทคจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นได้เองจากการปฏิบัติทำใช่หรือไม่ครับและจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตของเราปกติถูกต้องไหมครับ จิตผู้รู้นี่มันมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มันถูกความคิดกบบังไว้เท่านั้นเององั้นพอเราทาสมาธิเราหยุดความคิดได้พอความคิดที่มากบบังผู้รู้จิตผู้รู้หายไปจิตผู้รู้ก็โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองเหมือนจอทีวีเนี่ยจอทีวีถ้าเราเปิดเปิดทีวีขึ้นมามันก็มีภาพบนจอก็ทำให้เรามองไม่เห็นจอมีแต่ภาพ แต่พอเราปิดทีวีภาพที่อยู่บนจอมันก็หายไปก็เหลือแต่จอให้เราเห็นคําำถามจากคุณเพลินพิษุนอนนั่งเดินพุทธโทตลอดเนี่ยสะสมบุญได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าจเจริญพุทธโทในทุกิริยาบนจิตก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ต่อไปสามารถนั่งสมาธิได้แล้วก็สามารถจเจริญปัญญาต่อไปได้ คำถามจากคุณอาชบุร์ถ้าต้องอยู่กับคนหงุดหงิดขี้หงุดหงิดเนี่ยควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะ่ะก็าวางใจว่าเหมือนกับอยู่กับกองขยะก็แล้วกันคำถามจากคุณปาริชาติคะ่ะ<ม>ปัญญาที่เกิดจากสมาธิเสื่อมได้ไหมเจ้าคะ่ะได้นั่นไม่ใช่เดี๋ยวฟังไม่ถูกปัญญาปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิหรอกเพียงแต่ปัญญาที่ ที่ได้จากการมีสมาธินี่มันจะเป็นปัญญาที่มีพลังเรียกว่า <le Elliott> เป็นภาวนาไมยปัญญาเป็นภาวนาที่สามารถสู้กับความอยากได้แต่ถ้าเป็น ป, ปัญญาที่ไม่ได้ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเช <eg explored> <threat> ่นปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดนี่มันจะสู้ความอยากไม่ได้เหตั้นต่างกันตรงนี้ปัญญาที่ไดจากสมาธิ จะมีพลังมากและปัญญาที่เกิดขึ้นจากประสบการณจา์จากสิ่งต่างๆที่เข้ามาก็ถ้ามันดับความทุกข์ได้มันก็เป็นปัญญาเฉพาะกิจในในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นเรื่องเดียวคําถามต่อจากคุณเล็กเมื่อกี้เรื่องเก็บสร้อยได้คะ่ะถ้าถ้าเจ้าของสร้อยไม่มาปรากฏตัวเราจะเอาสร้อยไปให้ผู้อื่นได้ไหมเจ้าคะไม่สบายใจเจ้าคะ่ะ ก็ไปไว้ที่เราเก็บมาได้ก็แล้วกันแล้ว เ, เก็บไว้ตรงไหนแล้วก็ไปคืนตรงที่นั้นก็แล้วกันถือว่าหมดเรื่องไปแล้วใครจะไปเก็บไปอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะ้ตอนนี้หมดคําถามเจ้าค่ะ อ, อันนี้ซูมเข้ามาเท่าไหร่นะ28วันนี้8 8่ะธรรมชิกครัระอาจารยห้ไปสองคนพี่โจกับพี่แมรี่ อ่าเดี๋ยวคืนนี้ก็มีการทำวัดทำวัดเย็นตั้งแต่เริ่มต้นได้งหกโ<ฮ>มงเย็นขึ้นไป<ฮ>ท่านที่อยู่ทางบ้านอยากจะร่วมทำวัดกับพระสงฆ์วัดยานสังวารามทางคณะทีมงานก็จะไปถ่ายทอดสดะจะมีการไหว้พระสว่วดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ต่อด้วยการฟังเทศฟังธรรม แล้วก็นั่งสมาธิต่อไปอรวมเวลาก็เกือบสองชั่วโมงใช่มประมาณสองชั่วโมงถ้าเราทำเองไม่ได้ก็อาศัยคนอื่นดึงเราทำบางทีทำเองไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะสวดอะไระก็ให้คนอื่นเขาสวดแล้วเราก็สวดตามเรียหนังสือสวดมนไปไปนี่คือลักษณะของเรือที่ยังไม่มีเครื่อง เรือพว่วงอันนี้ต้องอาศัยเรือที่มีเครื่องคอยคอยฉุดลากไปก่อนอผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็มักจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีไฟไม่มีเครื่องในตัวเองอถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรเลยต้องไปอยู่กับคนอื่นอไปอยู่ตามสถานที่ที่เขามีการปฏิบัติเนชะ่นพวกที่ เริ่มต้นใหม่ๆมักจะไปเข้าคอร์สกันไปอยู่สามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วเขาก็มีกาหนดตารางเวลาให้ตื่นกี่โมงให้ให้ทอะไรบ้างตื่นแล้วต้องทำอะไรบ้างต้องสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิสังเทศฟังธรรมพักผรรับประทานอาหารแล้วก็อีกรอบหนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรม ไปยันถึงเวลาหลับนอนอันนี้เป็นเป็นการไปโรงเรียนเพราะว่าเราไม่มีวินัยในตัวเราเราไม่เคยไปโรงเรียนเราไม่รู้ว่าโรงเรียนเข้าเรียนอะไรกันทำอะไรกันเราก็เลยต้องไปให้คนอื่นเขาสอนก่นอนต่อไปพอเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราก็ไม่ต้องรอเวลาไปเข้าคอร์สเราก็เข้าคอร์ส ท, ที่บ้านเราเลยวันไหนว่างเวลาไหนว่างเราก็ โดยเลยปฏิบัติได้เลยแต่เบื้องต้นนี้ก็ต้องอาศัยคนอื่นก่อนเพราะมันก็เป็นเหมือนวิชาหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จากผู้อื่เพราะเป็นวิชาที่เราไม่รู้จักอนอกจากว่าเราฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วเราก็ควบคุมบังคับตัวเราเองให้ทําเองได้เราก็ไม่ต้องไปเข้าคอร์สกันเลย รู้ว่าเราต้องเจริญสติในทุกอิริยาบถ <Yeah. S 1> เป็นพุโทโธพุโทโธหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็พยายามเจริญสติไปในชีวิตประจําวันของเรา <Yeah. S 1> แล้วพอมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธินั่งหลับตา <Yeah. S 1> ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธไป <Yeah. S 1> ทําอย่างนี้สลับกันออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อไป สลับกันไปทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่างว่ามีเวลาว่างมากน้อยเวลาบางอย่างนี้เราก็สามารถทำให้มันว่างได้เช่นเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนินกายเวลาจากการดูหนังฟังเพลงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นเวลาปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเรายังติดอยู่เราก็จะรู้สึกทยังทำไม่ได้อยู่ ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่หนังก็อยากดูสมาธิก็อยากนั่งอยากจะนั่งเวลาเดียวกันไม่ได้อะลยต้องแบ่งเอาชั่วโมงนี้ดูหนังก่อนชั่วโมงนี้ก็มานั่งสมาธิต่อถ้าทำน้อยมันก็ก้าวหน้าน้อยจเจริญน้อยถ้าทำมากมันก็ก้าวหน้ามากพระพุทธเจ้าจึงมีมีมีมระดับไว้ว่าบางคนก็เจ็ดวัน บางคนก็เจ็เดือนบางคนก็เจดปีอยู่ที่การปฏิบัติมากน้อยต่างกันส่วนหนึ่งแล้อีกส่วนหนึ่งก็อยู่การที่มีความรู้ความฉลาดในการแก้ปัญหาได้ได้มากน้อยกว่ากันคนฉลาดก็จะแก้ปัญหาได้ได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ฉลาดก็ช้าหน่อยต้องใช้เวลาคิดหลายรอบกว่าจะเข้าใจว่าปัญหาแก้ยังไง กามีส่วนสองส่วนมีความขยันในการปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความรู้ความฉลาดถ้ามีความรู้ความฉลาดมากมีความเพียรมากเนี่ยมันก็เร็วเจ็ดวันก็ได้มีความเพียรอย่างเดียวบางทีเจ็ดปีก็่าจจะได้ว่ามันไม่มีความฉลาดเจอปัญหานี้ท่าไหรแก้ไม่ตกกะทีเจอข้อสารข้อนี้ท่าไหรทําไม่ได้กะที <c oughs> มีคำถาม <c oughs> จากคุณแฮ <c oughs> รี่ค่ะจิตพระอรหันต์ภายในจิตของท่านเนี่ยเป็นยังไงครับก็ต้องไปถามท่านแล้วหรือปฏิบัติเองนะปฏิบัติไปเถอะสิสมาทิปัญญาทำให้จิตห <c> ล <oughs> ุดพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงสิงปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหรอกพูดไป เหมือนคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าที่นั่นดีอย่างนั้นที่ดีดีอย่างนี้เรานั่งไปแล้วก็นั่งแต่จินตนาการนึกภาพไปซึ่งเวลาไปถึงที่นั่นจริงๆมันอาจจะไม่ตรงกับที่เรานึกภาพก็ได้ฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับการไปจินตนาการพราะว่าจิตของผ้าหลานเป็นยังไงเลยทําจิตของเราให้เป็นผ้าหลานขึ้นมาดีกว่าแล้วมันก็จะจะรู้จริงเห็นจริงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ทำทั้จะเป็นแอวเลอร์ค่ะถ้าลอกการบ้านเพื่อนถ้าลอกข้อสอบเพื่อนหรือให้เพื่อนลอกข้อสอบเราเป็นการทุจริตและผิดศีลเหมือเจ้าคะก็ผิดเลยเพราะว่ามันเป็นการขโมยความรู้ของผู้มาเป็นความรู้ของเราเวลาทำการบ้านเขาต้องการให้เราใช้ความรู้ความสามารถของเราไม่ใชใ่เราไปใช้ความรู้ความสามารถของคนอื่น เพราะเป้าหมายของการทำการบ้านก็เพื่อเสริมส ร, ร้างความรู้ความสามารถของเรานั่นเองเมื่อเราไม่เสริมสร้างเราก็ไม<อ>่ม <ừ. S 2> <อ>ีความรู<อ>้ความสามารถถึงแม้ว่าคะแนน อ, ออกมาว่ารับรองว่าเรามีความรู้ความสามารถก็เป็นความเป็นการรับรองที่ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงเวลาต่อไปเวลาไปทำงานเขาก็จะรู้ทีหลังว่นี่มีแต่มีแต่ใบประกาศแต่ไม่มีความรู้พะไป สมัยเรียนหนังสือไปรอกการบ้านของเขาคําถามจากคุณเมทินีการที่เราเห็นอะไรมันก็ตีความเป็นสภาวธรรมต่างๆเองถือว่าปัญญาเราเกิดขึ้นใช่หรือไม่เจ้าคะก็ต้องตีว่ามันเป็นไตลักษณ์เนี่ยหรือจะเป็นปัญญาถ้าเป็นสภาวธรรมต่างๆเรายังไปหลงไปรักไปชอบไปยึดไปติดอยู่ก็ยังไม่เป็นปัญญา ถ้าถ้าเป็นปัญญานี้มันจะไม่หลงไ ม, fum, ไม่รักไม่ชอบไม่ชังไม่ยึดไม่ติ store, ดกับอะไรเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความผูกพ <side> <c oughs> <c oughs> ันกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงคําถามจากคุณวันธนีความสบายใจกับความพอใจต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเจ้าคะก็ดูในตัวเราสิมันมีไม่ใช่เหรอเวลาเราสบายใจเป็นยังไง เวลาเราพอใจเป็นยังไงเวลาใครเขาทําอะไรให้ถูกใจเราเราก็พอใจมันก็สบายใจด้วยคนระับแต่ว่าตัวเดียวกันก็ได้ความพอใจกับความสบายใจมันเป็นเพียงแต่เป็นแต่คําพูดเท่านั้นเองความจริงมันก็คืออยู่ในใจของเรานั่นแหละก็สังเกตดูก็แล้วกันเวลาเราได้อะไรที่ถูก อ, อกถูกใจเราก็พอใจสุขใจขึ้นมาสบายใจขึ้นมา เวลาที่เราได้อะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาคำถามจากคุณพานุวงศ์การที่เรานั่งสมาธิในช่วงระยะหนึ่งเห็นดวงแก้วใสที่หน้าอกเราคือดวงธรรมหรือเป็นเพียงแค่นิมิตจากวิชชาครับ อ, อมันเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาที่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการการานั่งสมาธิเราต้องการให้จิตสงบจิตว่าง จิตเป็นอุเบคขไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจถือว่าเป็นของแปกปลอมเข้ามาหลอก ล, อล่อเราคำถามจากอาจารย์รบค่ะถ้าจะศึกษาอาณาปานาสติแบบเข้าใจง่ายๆและตรงกับคำสอนจะศึกษาตรงไหนดีครับเพราะแต่ละสำนักก็อธิบายไม่เหมือนกันครับ ก็ไปศึกษาที่สติปัฏฐานสูตรก็แล้วกันปติปัฏฐานสูตรนี่จะเริ่มต้นที่อนาปนาสติให้ไปนั่งที่สงบนั่งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจกําลังหายใจเข้าก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากําลังหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ลมสั้นก็รู้ว่าสัาน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวท่านั้นเองมีแค่นี้สติปัฏฐานาปนานสติคือให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเป็นที่ทำงานของใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่ทำงานเดี๋ยวใจมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สังเกต ด, ดูเวลาที่เราต้องทำงานเราไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมใเวลาที่เราต้องทาบัญชีต้องทาอะไรรายงานอะไรมันก็ต้องอยู่กับงานที่เราทา มันจะมานั่งคิดว่าเดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้มันก็คิดไม่ได้ถึงแม้คิดได้มันก็ต้องถูกดึงกลับมาเพราะเราต้องทำงานของเราอันนี้การมีลมก็เป็นงานอย่างหนึ่งครัไม่มีความแปลกประหลาดวิเศษวิโสอะไรจากการดูรมเพียงแต่เป็นการดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิด เรื่องราวต่างๆใจมันก็จะว่างจะเบาจะเย็นแล้วเดี๋ยวมันก็สงบขึ้นมาอั น, นเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำให้ใจสงบเท่านั้นเองแต่เราไม่ต้องการอะไรจากลมลมเป็นเพียงแต่เป็นอุบายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจเราหยุดคิดได้คำถามจากคำถามจากคุณกอบนอรวิทย์ จิตออกรู้อารมณ์ต่างๆมากเกินไปแก้ไขยอย่างไรดีครับก็ต้องดึงจิตให้สงบนะด้วยสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมแต่ละอย่างนี้ก็จะดึงจิตให้สงบได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ความยากง่ายฟังธรรมมันง่ายกว่าการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธ ถ้ายังไม่มีกำลังที่จะบริกรรมพุโทโธหรือสวดมนต์ก็อาศัยฟังธรรมไปก่อนถ้ามีกาลังที่จะสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปมีกำลังที่จะบริกรรมพุโทโธได้ก็พุโทโธไปใจก็จะเข้าข้างไหนใจก็จะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณปรีชาค่ะเข้าบ่อนเล่นการพ น, นัน<ม><ม>เงินทองของเราไม่ได้เดือดร้อนใครถือว่าบาปไหมครับ มันไม่บาปอ่ะถ้ามันยังไม่หมดนะเดี๋ยวหมดแล้วมันนี้หมดแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นนะเดี๋ยขโมยเงินคนอื่นมาใช้นะหรือไปโกหกหลอกลวงคนอื่นไปขอยืมเงินคนนั้นคนนี้มาใช้ถ้าเล่นแบบไม่ไม่ไม่ไมไมทําให้ตัวเองเดือดร้อนเสียหายก็เล่นไปเงแต่มันเสียเวลาแทนที่จะเวลาไปธรรมาหากินหาเงินหาทองกลมานั่งเล่นการพนันไกวันวันหนึ่งเหมือนกันไง มันก็ชีวิตมันก็จะติดอยู่กับการพนันไปถ้าทำให้บิดามารดาทุกข์ใจนี่บาปไหมเจ้าคะ่ะอยู่ที่ว่าเป็นความทุกข์ใจที่เขาบิดามารดาสร้างขึ้นมาเองหรือเราไปสร้างให้กับเขาเช่นเราไปด่าพ่อแมอ่ไปทุบตีพ่อแม่อย่างนี้ทำให้เขาทุกข์ใจเสียใจอันนี้บาป แต่ถ้าเราทำอะไรอย่างใด อ, อย่างหนึ่งแล้วพ่อแม่เขาไม่อยากให้เราทำแล้วก็ทุกข์ใจเพราะเราไปทำอย่างที่เขาไม่อยากให้เราทำอันนี้ไม่บาปหรอค่าถามจากคุณเมทินีค่ะ เคยเกิดสภาวะกลัวตายมากๆแต่พอพิจารณาจนยอมตายความกลัวตายมันกลับหายไปเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาจนมันพร้อมตายตลอดเวลาถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วถ้าไม่กลัวความตายไม่ทุกข์กับความตายก็ถือว่าหมดปัญหาไปข้อหนึ่งข้อต่อไปก็ต้องไปแก้ความกลัวเจ็บต้องต้องทาเหมือนกับความกลัวตายต้องไม่กลัวเจ็บ ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับความตาย <nin. S 1> ต้องเจอด้วยกันทุกคน <nin. S 1> ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับเราอยู่กับความตายให้ได้ <nin. S 1> ต่อไปก็ต้องหัดนั่งให้มันเจ็บ <nin. S 1> แล้วก็ไม่ต้องลุกไม่ต้องขยับหัดสอนใจให้ยอมรับความเจ็บเหมือนกับยอมรับความตายถ้าทาได้ต่อไปเราจะสบายต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเราจะไม่เครียดเราจะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณกอ๊อถ้ามีเพื่อนบ้านชอบพูดเสียงดังชอบพูดเรื่องคนอื่นเสียงมันเข้ามารบกวนตอนเราทำงานเราเกิดความยินดียินร้ายไม่พอใจขึ้นมาทาั้งๆที่พยายามกดข่มเอาลมแล้วควรจะแก้ไขยอย่างไรดีครับเ ร, เราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธินั่นเ อ, ง, องก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเมืม่อใจเป็นอุเบกขาสงบแล้ว เวลาได้ยินเสียงใครก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้คำถามจากคุณมาริวันค่ะถ้าแม่อายุมากสภาพร่างกายเสื่อมถอยท่านบมนว่าอยากตายเราควรจะบอกท่านว่าอย่างไรดีเจ้าคะก็บอกว่าแล้วแต่แม่นะเรื่องชีวิตของแม่แต่ความอยากตายมันทำให้แม่ทุกข์นะต้องยังยงอยู่กับมันไปร่างกายถ้ามันยังไม่ตายก็ปล่อยมันอยู่ไป เพราะความอยากตายมันจะทําให้แม่ทุกข์ถ้าแม่ไม่อยากจะทุกข์แม่ก็อย่าไปอยากตายอยากไม่ตายก็ทุกข์เวลามันจะตายทั้งสองอย่างนี้ต้องอย่าไปอยากอย่าไปอยากตายอย่าไปอยากอยู่ถ้ามันยังอยู่ก็อย่าไปอยากให้มันตายถ้ามันจะตายก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ต้องรู้จักอยากให้มันถูกกับเวลา ถ้ามันจะตายตอนนั้นอยากตายได้ไม่เป็นไรตายแล้วสมหวังจะไม่ทุกข์แต่ถ้ามันยังถ้ามันยังยังอยู่ไปอยากตายมันก็จะทำให้ทุกข์ถ้ามันยังอยู่ก็ อย่าไปอยากตายให้อยากอยู่ถ้ามันอยากอยู่มันก็สมใจเตอนนี้ยังอยู่ได้เั้นดังรู้จักใช้ความอยากให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์ให้มันตรงกับความจริงแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าไปใช้ความอยากตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจ่กผู้มีประสงค์ออกนามค่ะ เป็นเจ้าพนักงานส่วนการปกครองท้องถิ่นได้งบบำรุงท้องถิ่นมาหัวหน้าแบ่ง เ, เงินให้ส่วนหนึ่งจากงบประมาณเขาบอกว่าอบอกบอกไปว่าไม่อยากได้เงินแต่ไม่อยากทําให้เขาเกลียดเอาเงินไปถวายวัดในท้องถิ่นนั้นได้ไหมครับก็มันก็ได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญก็อาจจะล้มล้างกันไปเลยได้ทําบาปจากการไปรับเงินที่เป็นเงินทุจริต มีส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เป็นทำรวบทุกจริตขเาแล้วการเงินนั้นไปทำบุญมันก็มันก็หักลบกันไปบุญกับบาปเท่ากันพระอาจารย์มีคำถามจากคุณแอสบูลเลอร์พระอาจารย์สุชาติมีความทุกข์ไหมเจ้าคะถามทำไมถาม เ, เรื่องอนี้มันพูดไปมันก็เป็นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับคนถามน ถามตัวเราเองดีกว่าว่าเรามีความทุกข์หรือเปล่าถ้าเรามีความทุกข์ก็พยายามกําจัดมันโดยวิธีที่พระเจ้าทรงสอนนี่คำถามจากคุณวิริศค่ะทําอย่างไรจะละกา ม, มาตัญหาได้อย่างถาวรครับก็นี่แหละต้องภาวนาต้องถือศีลแปดต้องไปเปีกุ้ยเวกก็บวชได้ก็บวชเลยแล้ว ถ้าปฏิบัติภาวานาได้สมาธิได้ปัญญาก็จะสามารถตัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้หมดเลยคำถามจากคุณสลุทเหกค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเข้าอยู่สภาวะอุเบกขาได้จากเหตุการณ์ที่เราพบในชีวิตประจำวันครับ หลวงก็รู้เนี่ยถ้าเห็นแล้วเฉยได้ก็ก็เป็นอุเบกขาถ้าเห็นแล้วเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขาอุเบกขามันก็เป็นแบบเกิดเกิดดับดับได้บางเรื่องก็อุเบกขาได้บางเรื่องก็อุเบกขาไม่ได้อันนี้ก็บันระดับของอุเบกขาบางเรื่องเราเห็นแล้วก็เฉยช่างมันั่งมันอย่างเคยเล่านิทานให้ฟังหนงตาบวชทินครอบครัวไว้ แฟนภรรยาก็สองลูกอ่ะเอาอาหารมาเลี้ยงมาให้หลวงตาทุกวันทุกวันแล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องมีปัญหาทางบ้านอะไรก็มาเล่าให้หลวงตาฟังแล้วว่าช่างมัน แม่เขาจะขายนาก็ช่างมันแม่เขาจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็ช่างมันแต่พออกแม่เขาจะมีแฟนใหม่ครับไม่ช่างแล้วหมดไม่ได้แล้วอันนี้ก็แสดงว่ามีอุเบกขาหลายระดับ <c oughs> <c oughs> เรื่องที่เราไม่ยึดเม่ติดก็อุเบกขาได้ เรื่องทีเรายังยืดยังติดอยู่มันก็ยังอุบือขาไม่ได้แบบนี้คือ ย, ยังไม่ยังไม่โ ส, โสดระบนันแล้วใช่ไหมหไม่รู้คเพราะต้องไปสนใจโสดแล้วไม่โสดขอใหรู้ว่ายังมีปัญหาอยู่แล้วกันต้องแก้ต่อไปอคุณธรรมชูคุณแฮร์รี่ค่ะคนที่มีอายุมากแล้วนั่งสมาธิไม่ไหวควรจะทําสมาธิแบบไหนดีครับก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นี่นะถ้ายังนั่งกินข้าได้นั่งมันก็นั่งสมาธิได้ สามารถได้ถ้ายังนั่งดูหนังดูทีวีได้มันก็ยังนั่งดูถ้านั่งไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้ก็ได้ราะผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่ไม่ได้นั่งนานอยู่แล้วที่นั่งขัดสมาธินี้ส่วนใหญ่เป็นพวกมืออาชีพเขานั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พวกที่เป็นมือสมัครเล่นนี้นั่งนั่งนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาก็ได้ถ้าไม่สงบอย่างนั้นก็ได้หลับก็ยังดี คำถามจากคุณวชิวรวิท์ค่ะฟังธรรมะแล้วมีโอกาสเกิดปัญญาได้ไหมครับได้ก็เป็นปัญญาระดับแรกเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาที่ได้รับจากได้จากการได้ยินได้ฟัง<ม>ได้เรียนรู้แต่ยังเป็นปัญญาขั้นต้นที่ต้องไปขยายผลต่อต้องไปขยายให้มันเป็นจินตามยะปัญญาคือให้ให้ไปนึกคิดบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมเพราะฟังวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวลืมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ได้ยินในวันนี้ก็ลืมไปังั้นก็ต้องตามด้วยจินตามมย์ปัญญาต้องนามาใบไข้ควรพิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการสู้กับความอยากกำจัดความอยากซึ่งจะทำ จะทำได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิปัญญาสองขั้นแรกนี้ไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ต้องไปฝึกสมาธิจะมีมีอุเบกขามีความสงบทีนี้ก็สามารถใช้ปัญญาที่ได้จากสุตตะได้จากกินตานี้ไปสู้กับความอยากได้ mm hmm. หยุดความอยากฆ่ากิเลสต่างๆได้ mm hmm. คำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์จากคุณอนุรักษ์ค่ะทำไมนั่งสมาธิเห็นแต่ความทุกข์ไม่เห็นจะมีความสุขเลยครับเพราะจิตยังไม่สงบเนี่ยเวลานั่งสมาธิใหม่ๆมันเหมือนขึ้นเวทีต่อสู้กับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสความอยากที่มันส่งมันด้วยความคิดมันอยากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา พอมันถูกบังคับมันก็เลยเกิดเหมือนถูกต่อยมันก็เลยเกิดอาการรู้สึกทุกข์ขึ้นมาตอนเริ่มนั่งสมาธิยังไม่ได้ทําอะไรเลยให้นั่งเฉยๆก็เริ่มรู้สึกปวดอัดแล้วเพราะกิเลสมันชอบมันชอบเที่ยวชอบเล่นตอะไปจับมันให้ไปอยู่ในกรงมันก็เลยรู้สึกเครียดขึ้นมารู้สึกทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราทําจิตให้สงบได้ทําให้กิเลสมันสงบได้ให้มันปล่อยให้มันสงบนับสิทธิ์ไปปุ๊บนี้มันก็หายเครียดน นั่นต้องพยายามต้องอดทนเวลาฝึกสมาธิใหม่ๆไม่เหมือนดูทีวีดูทีวีใหม่ๆปุ๊บนี่มันไม่เครียดเลยมันดูเพลินไปอแต่มันเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวมันจะมาทุกตอนปลายพอหนังจบแล้วก็ทุกแล้วเหนาแล้วไม่มีอะไรดูต่อแต่ถ้านั่งสมาธินี้มันจะทุกเบื้องต้นแล้วจะมาสุขเบือ้องปลายเบืองต้นต้องสู้กับกิเลส พอชนะคิดเดชทำใจให้สงบได้ปับ๊บใจก็นิ่งมีความสุขขึ้นม า, าแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนนวเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติก็ ค, ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ